ขอความจเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอการทัดรกกสูตรในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัญนาทซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้ารับสั่งสนทนากับ การทารกะปริภาชกและเตสกะซึ่งเป็นบุตรของสรถีฝึกมา้าบรรก่อนได้พูดถึงช่วงที่ทากานทารกะยกย่องชื่นชมความสวยงามความเรียบร้อยของพระสงฆ์ ว่าเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากการฝึกปลือของพระพุทธเจ้าและท่านมีความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตก็ดีจะมีในอนาคตก็ดีก็คงจะฝึกบุคคลได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงฝึกนี่แหละซึ่งพระเจ้าก็ทรงรับรองว่าเป็นอย่างนั้น จากนั้นก็ทรงแสดงสถานะของพระสงฆ์ที่นั่งประชุมกันอยู่ตรงนั้นโดยทรงจำแนกออกเป็นสองกลุ่มในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นอเสขะคือผู้ที่จบการศึกษาแล้วก็ได้แก่พระอระหรันต์ในกลุ่มต่อไปก็เป็นกลุ่มของพวกเสขะคือพวกยังต้องศึกษา ซึ่งกระจายลงมาจากพระนาคามีบุคคลจนมาถึงภิกษุที่เรียกว่าเป็นปุถุชนในข้อนี้ทรงแสดงว่าอันหนึ่งในภิกษุสงฆ์นี้ภิกษุทั้งหลายผู้ยังต้องศึกษาคำว่าศึกษาเนี่ย แลนนี้ความหมายไม่ค่ยตรงกันทะไรกับที่เราพูดกันที่เราพูดกันนั้นก็หมายถึงการเรียนรู้ศิละปะวิทยาการทั้งหลายแต่ของพระพุทธเจ้าสังทรงใช้คำวิสึกษาเนี่ยมันจะต้องหมายถึงการเรียนรู้ด้วยและปฏิบัติตามด้วยไปตามโครงสร้างของศีลสมาธิปัญญา การศึกษาจึงมีอยู่สามข้อแต่นั่นเองคือศึกษาในศีลในสมาธิแล้วก็ในปัญญาเลเรียกเนี่ยทรงเรียกว่าอาธิศีลอาิจิตอาติปัญญาถ้าการศึกษาเรียนรู้ทุ่ทุไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของภูสัจจะ บ, บ้างเป็นเรื่องของสุตะ บ, บ้างเป็นเรื่องของอุกหาห์ ในการศึกษาเรียนรู้บ้างแต่ว่าตรงนี้ก็คงหมายรวมกันทั้งหมดนะเพียงแต่ว่าเน้นไปที่กำลังศึกษากำลังประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเองทำโครงสร้างของศีลสมาธิปัญญาอยู่คุณสมบัติที่ทรงยกมาในที่นี้ก็คือหนึ่งมีปกติสงบ คามสงบนั like, ้นเป็นอาการของศีลของสมาธิและของปัญญาแต่ว่าอาการที่ปรากฏแก่สายตาของคนมันก็เป็นอาการของศีลเพราะอาการของสมาธิกับอาการของปัญญานั้นก็ดูยากเพียงแต่ว่าถ้าเราสืบสาว่าสิ่งนี้มาจากอะไรสิ่งนี้มาจากอะรสิ่งนี้มาจากอะไรก็จะสามารถสืบสาวไปได้วปะ อาการสงบทางกายทางวิจาเนี่ยมันเป็นอาการของศีลแต่ศีลที่สงบเนี่ยมันเกิดจากกิเลสอย่างหยาบมันสงบไอ้กิเลสมัอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่จิตก็แสดงว่ากิเลสไปสงบไปจากจิตทีนี้ถ้าสงบมากเป็นพิเศษก็หมายถึงว่า เป็นการสะท้อนอาการของสมาธิและอาการของปัญญาออกมาแต่ที่ปรากฏก็คือกายกับระจาบางทีถ้าก็ทรงแสดงหมดนะฮะสันตะกายโยสันตะวาโจโยสันตะมนโนมีกายส ง, งบมีวาจาส ง, งบมีใจส ง, งบ ซึ่งก็หมายถึงอินทรีย์ทั้งห้าั้งหกนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สงบตรงนี้ก็เป็นผลมาจากการปฏิบัติตำรับของศีลสมาธิปัญญามีความประพฤติสงบอันนี้ก็เน้นที่ศีลที่ศีลเป็นหลักนะคือความประพฤติเนี่ยันที่จริงก็คือสมาวาจาสมากรรมตะสมาชีวะ ก็เป็นอาการที่สัมผัสได้ง่ายแล้วก็มีปัญญาเลี้ยงชีพด้วยปัญญาเนี่ยหมายความว่าอาการจริงๆก็คือสมาชีวะสมาชีวะมันก็มีเป็นสามตอนคือการแสวงหาการได้มาการ บริโภคใช้สอยทุกลำดับขั้นตอนนั้นมีปัญญาเข้ากำกับเห็นโทษของการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดเห็นคุณของการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบแต่นีการเป็นพระตัว น, นี้ก็นเน้นที่พระเนี่ย พระเอกนั้นจะพูดทั้งสองอย่างเขาเรียกว่าสิกขาและสาชีพสิกขาก็คือการดำเนินไปตามโครงสร้างของศีลสมาธิปัญญาสาชีพก็คืออาชีพทุกลำดับขั้นตอนของการแสวงหาการได้มาการครอบครองการบริโพวกใช้สอยเนี่ยมันก็อยู่ในกรอบของสมาชีพ เดีนี้ส ม, มาชีพของญาติโยมเนี่ยเอาขนาดว่าไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดไม่ผิดศีลธรรมก็ถือว่าเป็นส ม, มาชชีพแล้วบางทีก็เอาเพียงไม่ผิดกฎหมายและบางทีเนี่ยกฎหมายก็เป็นออกกฎหมายนี่มนุษย์เป็นคนเขียนขึ้นเขียนขึ้นบางทีมันก็เอื้อประโยชน์ต่อตัวเอง ผนมาตฐานทางกฎหมายเนี่ยบางทีก็พูดยากต่างอย่างที่ก็มีกรณีขัดแย้งกันในองค์กรพิเศษที่กระเบียบ ป, ปฏิบัติให้เพิ่มเงินให้แก่ตนเองแต่ถามมาในแง่กฎหมายก็มีอำนาจตามกฎหมายไหมมันก็มีแต่ว่าถามมาในแง่มโนธรรมในแง่จิตสานึก ในแง่ของผู้เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองเนี่ยเป็นความถูกต้องไหม ก, ก็มีปัญหาที่ต้องคิดแต่จะถ้าให้ให้อธิบายเนี่ยก็เรียกว่าทุกคนอธิบายได้เขราะเห็นว่าหลักการสำคัญทั้งหมดมันเน่นไปที่การจางคลายบรรเทาไปของกิเลส มีชื่ อ, อยังไงก็ตามแหละแต่นี้อาการเหล่านี้เมื่อปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งแล้วบอกว่าเธอเหล่านั้นมีจิตตั้งมั่นดีแล้วจิตตั้งมั่นเนี่ยคือถ้าดำรงอยู่ในสุจริตเราก็ถือว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในสุจริต แต่ในที่นี้เป็นการพูดถึงจิตที่ดำเนินไปในวิธีของสติปัฏฐานทั้งสี่ประการคือกายคือเวทนาคือจิตคือธรรมหลักการสำคัญในการเจริญเรียกสติปัฏฐานนะฮะตอนนี้อาจจะเรียกว่ามหาสติปัฏฐานคือระสูตรที่เรียกอยู่สองสามอย่าง ขนาดใหญ่ในมหาวัคขังทีคณิกายเรียกว่ามหาสติปัฏฐานสูตรแล้วขนาดเล็กก็เรียกว่าสติปัฏฐานสูตรอยู่ในมัชจิมนิกายขนาดที่รองลงมาก็เรียกว่าสติปัฏฐานปาฐะเกิดเป็นลักษณะของประดิษ์เป็นคาถาไม่ได้ให้รายละเอียดใน ลายรักอ่นสอนแต่ว่าในภาคของการปฏิบัติแล้วก็เป็นเช่นเดียวกันเพราะโดยโดยโครงสร้างก็คือว่าภิกษุในธรรมินาย น, นี้พิจนาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสติมีสัมมัญญากรรมจัดอภิชาและโทมนัต ในโลกเสียได้นี่ก็คือเนื้อหาหลักกว่ายกเอากายเอาเวทานาเอาจิตเอาธรรมเกาก็เป็นการตั้งสติสัมปมชัญญะและความเพียรนะคือทุกข้อเนี่ยธรรมะที่เป็นหลักจริ ง, รงๆก็คือสติสัมปชัญญะความเพียร น, นก็ครอบคลุมอะไรได้เยอะแล้วนะเพราะว่าสติก็คือสัมมาสติวิริยะก็คือสมาวยามะสมจัญยะก็คือสมาทิฏิสมาสังกัปปะทีนี้พอปฏิบัติไปในี่ใจสงบมันก็เป็นสมาสมาธิเล้วถามว่าศีละ่ะ สีนั้นเรียบร้อยมาแล้วนะมันเป็นพื้นฐานไปแล้วจะไม่ได้พูดเพราะเป็นการพูดระดับสมถะกับวิปัสนาแต่ว่าอาการเหล่านี้เกิดไม่ได้เราตายยังไม่มีสีที่นี้การดูกายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากคนเราเนี่ยเป็นสัตว์โลกชั้นกามาวจรภูมิ มีการสยบติดมีความกำหนัดมีความเพลิดเพลินมีความยินดีมีความพอใจชอบใจอยู่ในพวกกลาวัตถุทั้งหลายเนี่ยพูดมาอะไรก็เมื่อนั้นเนี่ยเพียงแต่ภาษาที่เรานำมาสื่อกันเนี่ยเช่นาบ้านอาจจะพูดถึงบ้านอาจจะพูดถึงที่ดินอาจจะพูดถึงรถอาจจะพูดถึงอาหารอาจจะพูดถึงการท่องเที่ยวอะไรต่อะไรก็แล้วแต่จะพูด แต่ธรรมะนั้นท่านจะมองสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือสิ่งที่ตนที่กายถูกต้องแล้วก็ธรรมารม์รือลมที่เกิดขึ้นภายในใจก็จําแนกออกไปแต่กาสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้สุดดม ล, ลิ้นได้ลิ้มกายได้ถูกต้องในใจก็ไปเหนียวนึกตรึกนึก ในกรณีที่นะในกรณีที่จะเพิ่มกิเลสขึ้นนะความม่นกิเลสททยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นจะเกิดแล้วก็จะเพิ่มพูดมากิ่งขึ้นเพราะไปเริ่มต้นจากความยินดียินร้ายที่ในที่นี้ทรงใช้คู่เดียวนะอภิชากระทมนะอภิชาเป็นกิเลสประเภทโลภะประเภทราคะ สมณะดันเกรียงกิเลสประเภทโทสะพอรวมกันแล้วก็คือเป็นอาการของโมหะเป็นอาการของความหลงคือไม่รู้เห็นกายเวทนาจิตธรรมตามความเป็นจริงพอถ้ารู้จักกายเวทนาจิตธรรมตามความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่เกิดความยินดียินร้ายอะไรหรอกเพราะไม่มีอะไรที่น่ายินดีแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่ายินร้ เนื่องจากในแง่ของความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสักแต่วากายสักเตวาเบธนาสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าธรรมปัญหาว่าทำไมจึงสรุปที่ตรงนี้จนถึงบางครั้งบางคราวเนี่ยเราไปพูดกันว่าต้องเจริญสติปัฏฐานเท่านั้นคือสติปัฏฐานเนี่ยก็คลุมไว้หมด แต่ จ, จริงธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงทั้งหมดมันก็นำไปสู่มรรคผลที่ผ่านด้วยกันนั้นแหละเพียงแต่เป็นปริยายเทศนาเพราะว่าสติปัฏฐานจริงๆก็คือสมาสติไม่อดีมักนั่นเองการจำแนกเป็นกายเ น, นื่องจากเรากำหนดยึดติดในตัววัตถุโดยเฉพาะยิ่งยิ่งก็ยึดติดในกายตัวเอง เราสังเกตว่าถ้าเรามาตรวจสอบตัวเราเนี่ยมันรู้สึกรู้สึกเรืองอะ่ะรู้สึกเป็นอัตตาตัวตนรู้สึกมานะว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกไปเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นว่าเป็นของเราเป็นของเขา แล้วก็ยึดติดในความเป็นของเราถ้าโลภมากมันก็อยากได้ของเขาด้วยก็ที่ยุ่งยุ่งกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็สอนในแนวตรงนี้สอนให้ดู ก, กายเพื่อถ่ายถอนตัณหาในกายว่ากายของเราเนี่ยพยายามบั่นท่าาความรู้สึกอย่างนั้น ก็ด้วยการสอนให้เจริญน า, นาปาณาสติคือตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่กายคือลมหายใจเข้าออกโดยวิธีต่างๆนะฮะวิธีที่ทรงแสดงในบาลีจริงๆก็ทรงแสดงเพียงแต่ว่าให้รู้ลมหายใจเข้าออกทั้งยาวทั้งสั้นเมื่อหายใจเข้า ยาวก็รู้ว่าห้ขณะนี้เราหายใจเข้ายาวให้ยใจออกยาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ไปตามนั้นแต่ว่าพอปฏิบัติจริงๆเนี่ยคล้ายๆกับบา ร, รมีเราอ่อนลงอ่ะมันจับไม่ทันไม่ต้องเอาอะไรหรอกแม่แต่เราลุกประคํามานับนะคร บางทีเนี่ยสีห้าเที่ยวเนี่ยนับไม่ตรงกงนตั้งๆงในรูปประคำเท่าเดิมแต่ตติเราไม่สม่าเสมอสามัญญาไม่สม่ำเสมอความเพียรไม่ต่อเนื่องก็ทำให้นับเกินไปบ้างนับขาดไปบ้งางนววิธีทางอุตรานิกายนะฮะทางนิกายฝ่ายเหนือทางมหายานเนี่ยเขา ก, ก็ฝึกนับลูก ป, ประคำ เรามองดูนะฮะประเทศที่นับลูกประคำเนี่ยมีฐานะค่อนข้างดีเศรษฐกิจดีสังคมก็ดีนะก็ดีแบบโลกเกียงมองประเด็นตรงนี้อยู่เหมือนกันนะว่าทำยังไงว่าชาวพุทธนี่สะท้อนธรรมให้เขาเห็นเนี่ย ว่าสังกัปปุไม่เบียดเบียนไม่ทะเลาะวิวาดกันไม่มีความรุนแรงไม่มีความเป็นเราเป็นเขามากเกินไปก็ดูประเทศพุทธแล้วกันตัวนี้ก็น่าจะมองทบทวนนะคแต่ว่าพอพูดแล้วเราก็ด่ากันได้ทุกทีเลยก็พูดกันยากที่จริงถ้าเราสามารถสะท้อน ธรรมะออกมาได้สะท้อนศีลสมาธิปัญญามาได้มันก็เป็นการเผยแผ่ระดับโลกนะเช่นสมมติว่าประเทศไทยมีความสงบไม่มีประนายากกรรมคนมาท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยมันก็เป็นการประชาสัมพันธ์โลกสัมพันธ์ประเทศตัวเอง ไม่ต้องลงทุนทำโฆษณาหรอกไ้โฆษณามันก็อดโกหกไม่ได้สุดมากจะพูดเกิดจริงนะฮะแล้วก็กลบเกลือนปัญหาบางอย่างเอาไว้แต่ด้ยการปฏิบัตนะิคือครองชีวิตไี้เขาอยู่เป็นวิถีชีวิตที่อบอุน่นบ้านเหมือก็สวรรค์วิมานที่ครอบครัวอยู่ร่วมกันโดยความเป็นสุข มีความรักใคร่ผูกพันการของคนภายในครอบครัวนะอันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์อย่างดีคือการโฆษณาก็คือทําให้คนอยากอยากเห็นฮะอยากเห็นอยากได้อยากมีอยากเป็นอันนี้ก็เหมือนกันเวลราสะท้อนออกมาได้มันก็คนอยากได้อยากเห็นอยากมีอยากเป็น ในการประรบเรื่องวัดที่ไม่ค่อยสะอาดก็ที่จริงก็เห็นนะ น, นะแต่ว่าปัญหาที่น่ามองต่อไปก็คือว่าคนที่อยู่ในวัดจำนวนไม่มากแต่คนที่ใช้สอยประโยชน์จากวัดนี่มากาานนาเพราะ ง, า ง, งั้นพอเอาก็าจริงแล้วเนี่ยมัน ทำความสะอาดไม่ทันมันเกิดปัญหาก็ทำให้มีความรู้สึกในทางปฏิเสธวัดแต่บางทีเนี่ยถูกกล่าวหาว่าวัดเอาเป็นลานจอดรถก็ที่จริงแล้วเนี่ยคือชาบ้านเข้ามาจอดจาวบ้านเข้ามาจอดเพราะก็เป็นวัดของเขาเหมือนกัน ทางกรรมาการของวัดเขาก็ต้องหาประโยชน์เพระาะว่ามันเกิดเรื่องจะต้องใช้จ่ายที่สืบเนื่องมาจากตรงนี้เลยก็เป็นปัญหาที่ขาขดใจกันแต่ว่าต่อไปก็คงจะย่ังนึกว่าลักษณะการมองเพื่อเพื่อผลประโยชน์เนี่ย คือหมายความว่าเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กั น, นคงจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปยังเคยพบคนที่มาขอใช้โทรศัพท์แล้วก็จ่ายสตางในอย่างตลกเออคิดแปลกขอใช้โทรศัพท์แล้วขอจ่ายสตาง อันนี้กค็คือแสดงว่าเราไปนับพบกันที่เงินมากเกินไปโดยไม่ได้พบกันที่จิตใจเพราะการจเจริญ น, นาปานัตสติเนี่ยที่จริงถ้าเราทำให้ใจเราสงบเนี่ยมันจะเห็นใจตัวเองเลยจะเข้าใจเราก็จริงกายของเรามันก็มันก็สักแต่ว่ากาย เป็นบิดผลที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติแล้วก็ถูกหล่อเลี้ยงไว้ได้วยลมหายใจเข้าออกอย่างอื่นเป็นองค์ประกอบย่อยนะฮะแต่ลมหายใจเข้าออกก็ออกนเป็นองค์ประกอบหลักคือถ้าลมลมหายใจเข้าออกแกดับแล้วก็ดับเลยชีวิตก็จะอยู่ไม่ได้แม้อย่างอื่นจะดีอยู่ก็ตาม มันก็ทำให้เกิดอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความไม่ประมาทเห็นชีวิตเราก็เหมือนก็แขวนอยู่บนเส้นได้พร้อมจะขาดขาดเมื่อไรก็ได้แล้วก็ช่วยใช้ชีวิตไปด้วยความสานึกคุณค่าของการเวลาที่ผ่านมาเพื่อจะผ่านไป ก็พยายามสแสวงหาประโยชน์จากการเวลาที่มันถึงครับทีนี้ในเรื่องกายเนี่ยจะสอนหลายตอนเพราะต้องการสำรอกตัณหาคือสำรอกตัณหาโดวยวิธีใดไ ด, ได้มันก็เอาวิธีนั้นเผือถ้าเราดูถึงเครื่องมือเนี่ยคล้ายๆกับเราขัดกระดาษทรายคล้ายๆกับทำกระดานนะ คือลำดับขั้นตอนเนี่ยมันก็อยู่ที่สถานภาพของกระดานถ้ายังไม่เป็นกระดานก็ยังเป็นซุงอยู่มันก็ผ่านขันตอนมาเยอะแต่ถ้าเป็นกระดานแล้วขั้นตอนข้างหน้าก็ลดลงไปอย่างเดียวขั้นตอนข้างหลังใสยกบมาแล้วเรียบร้อยมันก็ขั้นตอนก็ลดลงไปอีกันจิตใจของเราก็เหมือนกัน หรือต้าหากว่าจิตใจมีความประณีตมีความพร้อมไม่มีปัญหาเรื่องศรัท ธ, ธาทั้งสี่ซึ่งหรืออินทรีย์ทั้งห้าเรื่องศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยแล้วเราขั้นตอนมาก็ น, น้อยมันก็ทรงวางเอาไว้คือให้ดูที่อิเดียบทั้งสี่คือยเดินนังนอน แล้วให้ดูทุกอิริยาบถทุกการเคลื่อนไหวเรียกว่าสัมปชัญญะปปะพระถ้าเห็นแต่ละข้อเนี่ยก็ดีไปนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปดูที่อาการทั่สามสิบสองหรือพวงคุเลือกผณา์นหนังที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตเป็นร่างกายเนี่ย หรือนงั้นก็แยกร่างกายเป็นกองกองเป็นาดสี่ถ้าเห็นได้ก็ดีไปนะถ้าไม่เห็นมันก็ต้องไปนั่นแหละไปปราชาไปเรียนจากซากศพของคนอื่นกราแสดงว่าที่เป็นเช่นนั้นคือความกำหนัดมันมากความกำหนัดความต้องการทางเพศเนี่ยคงจะมากเลยก็ต้องเอาศพมาเป็นครูเลยเอาศพมาเรียน แล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเห็นว่ากายก็สักตัว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตอนนี้ก็เรียกว่ากายานุปัสนาสติปฐานนะเรียกเต็มๆนะทีนี้คนที่ยึดติดในสุขเวทนาไม่พอใจไม่ยินดีในทุกขเวทนามันก็หมายความว่าเกิดอภิชาโตมณัตในเวทนาในกรณีที่เป็นสุขเราก็อยาก ในกรณีที่เป็นทุกข์เราก็ไม่ชอบผิดก็ผิดปกติไปทั้งสองอย่างเพราะไปะยึดติดในเวทนามันเพราะในแง่ความจริงเวทนาเนี่ยมันก็เป็นสักแต่ว่าเวทนาให้เราลองสังเกตว่าถ้าเราไม่เอาเราเข้าไปบวกมันก็เป็นเพียงเวทนาเช่นเวทนาที่เกิดขึ้นแก คนในส่วนต่างๆของโลกจะมีการฆ่ากันมีการบาดเจ็บล้มตายที่สมมุติว่าอิรักกับสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยคือถ้าสามจังหวัดภาคใต้เราเดือดร้อนสักทีไม่สบายใจเพราะอะไรเพราะพี่น้องเราทะเลาะกันพี่น้องเราถูกเบียดเบียนคือไม่ใช่ทะเลาะหรอกฝ่ายหนึ่งใครก็ไม่รู้มาเบียดเบียนมาประทุดใส่ แต่จริงแล้วถ้านับจำนวนในตายที่อิรักมากกว่าเยอะแต่ทำไมเราไม่เคยรู้สึกเพราะว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นพวกเราบางทีก็ชาชินไปนะมันซ้ำซากเหลือเกินอย่างเนี้ยป่อนเล็ตายกับอิสราเอลหรืออิรักหรือเมื่อก่อนเลบานอนอะไรต่ออะไรเนี่ยไอแลนเนือ้อไอแลนใต้อะไร มันมันทุกวันอ่ะหรือเหมือนสมัยสงครามเวียดนามเนี่ยรู้ข่าวก็ไม่รู้จะอ่านทำอะไรอ่านแล้วก็รู้สึกสลดใจแต่ถ้าพี่น้องเราอยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยเราก็จะเดือดร้อนพันเอาข้จริงแล้วเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันอยู่ชี้ใจไปยึด ยึดด้วยความรู้สึกว่าเป็นเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราหมายความเราในเข้าไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ยุ่ ง, งทุกตีแหละแม้บางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะยุ่งนะมันก็ยุ่งได้จะยกตัวอย่างว่าเป็นแขกไปที่บ้านแล้วเขาก็เอาน้ำดื่มมาให้ดื่มก็เอามาทั้งขวด จะรู้สึกว่าเขาแม่เกียดจะรู้สึกไม่พอใจ ท, ท, ทั้งๆที่จรงมันสําเร็จประโยชน์ด้วยกันแต่ว่านุษย์เนี่ยพอพออัตตามันใหญ่ไปเสริมอัตตาขึ้นมานะมันเกิดมานะรู้สึกเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นไอ้นั้นมันต้องเหมาะควรแก่เราโก็โต๊ะเก้าอี้ที่นั่งโอ้ยสารพัดเลยอัตตาบรหยายนุษชหาเรื่องให้เรื่องในตัวเองเดือดร้อน แล้วก็ลำบากไปหมดเลยอย่างแม้แต่ไปในงานศพเราเห็นว่าแม้ในงานศพมันก็มีชนชันที่จริงถ้าเราหัดฝึกปฏิบัติธรรมะเนี่ยมาเรามาในฐานะมางานศพด้วยกัน มาเยี่ยมศพหรือว่ามาบูชาวความดีของศพอะไรก็จังนั่งตรงไหนมันก็คือนั่งสมิดประโยชน์อันนี้ไม่ใช่มันเรียงลดหลันอ่ะนี่คือแนวที่ที่เราเห็นว่นาเออตามานุษย์ตึมเยอะล้วหาเรื่องสิ้นเปลืองเงินทองสิ้นเปลืองเวลาบางแห่งเก้าอี้เนี่ยยกสองคนไม่ค่อยไหวนะเพื่อทังคนเดียวอย่านึกเออมนุษย์เนี่หาเรื่องเรื่องให้ตัวเองเดือดร้ อ, รอน อ ต, ตัวเองไม่เดือดร้อนนะฮะพอตัวเองเป็นคนนั่งคนอื่นจะเดือดร้อนคนที่ยกของเวทนาเนี่ยเป็นการยึดติดไปเรื่อยจนถึงสุขกวทนานในชั้นต่างๆในโลกนี้แล้วก็เวทนาที่จะเสวยในชัดหน้าการปรารถนาความเป็นเทพประุตรเทพธิดาปรารถนาความเป็นพรหมแล้วก็เป็นอาการของตัณหาในเวทนา วันนั้นก็สอในให้ดูที่เวทนาถึงปรากฏที่จริงที่จริงสําหรับสามัญชนแล้วถ้าดูเต็มอย่างที่ทรงสแสดงเนี่ยดูอยู่รู้ยากกันดูไม่ค่อยทันคือทรงจะแม้เป็นเวทนาเก้าเพราะว่าคนฟังในคราวแรกเนี่ยเป็นพระภิกษุทรงสแสดงเป็นเวทนาเก้าตรงนี้เราจะเห็นว่าทรงสแสดงเฉพาะตัวแม่บทโครงสร้าง ไม่ได้ขยายอย่างในมหาเประทฐานเพราะั้นก็เวทนาเนี่ยอาจจะดูหนึ่งอาจจะดูสามอาจจะดูห้าอาจจะดูหกอาจจะดูเก้าอาจจะดูสิบแปดก็แล้วแต่นะจนถึงก็เวทนาร้อยแปด แต่ว่าที่ดูง่ายๆเนี่ยตอนแรกแรกก็ดูสุขดูทุกข์ดูไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยดูให้ได้ให้เห็นไว้ก่อนแล้วค่อยๆค่อยแยกทีหลังือถ้าไปไปแยกเลยเต็มชีดเนี่ยสติเราแยกไม่ทันดูเฉพาะสุขที่ปรากฏทุกข์ที่ปรากฏกับไม่ทุกข์ไม่สุขที่ปรากฏแล้วเราจะเห็นว่าเวทนาว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป แล้วก็เปลี่ยนเป็นสุขเป็นทุกข์จากทุกข์เป็นสุขจากสุขเป็นทุกข์จากไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นต้นเนี่ยแต่ปรากฏได้ในแต่ละขณะเป็นเวทนาเดียวเป็นการปรากฏให้เห็นเรื่องความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่เราก็ปรารถนาเวทนาที่เที่ยงแท้แน่นอน เราก็จริงก็ถามว่าต้องการจริงหรือเปล่ามันก็ไม่จริงเช่นสมมุติว่านอนเป็นสุขแล้วให้นอนานานๆมันก็ไม่สุขอะนั่งเป็นสุขเอานั่งไปานานๆก็ไม่สุขละแสดงว่าเวทนานะั้นมันตกอยู่ในกฎของใจหลักหรือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาเนี่ยแต่พอดีเราไปปรารถนาเวทนาที่เที่ยงแท้ เปเวทนาที่ยังยืนงรั้งที่ครั้งที่ตัวของมันเองโดยสภาวะโดยสถานะของเวทนาเนี่ยเป็นของไม่เชี่ยงแท้อย่างยืนแล้วถ้าใครดูไปเรื่อยเรอมีหน้าที่รู้เวทนามันปรากฏตามเหตุปัจจัยของมันเราก็รู้สุขก็รู้เมื่อทุกข์ก็รู้ไม่ทุกข์ไม่สุขก็ ร, กก ร, กกรู้แล้วก็จะเกิด ความเข้มข้นของสติสัมจัญญาความเพียรเนี่ยมองงี้ว่าเวทนามันเป็นการยึดมั่นถือมั่นเอาแท้ที่จริงแล้วเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยเราลองดูสิเรามีนามารูปมีอายตนะมีผัสสะมีเวทนาแล้วก็มีตัณหามีอุปาทานแล้วถ้าเรามองแยกโดยพิสดารเนี่ย เนมันเป็นการกระทบการของอัจตนะภายในภายนอกแล้วก็เกิดเป็นวิญญาณแล้วกเกิดเป็นสัมผัสแล้วก็เกิดเป็นเวทนาทีนี้เวทนาจะเกิดอย่างไรเนี่ยมันอยู่ที่ความรู้สึกของเราตอนมองรกระคาแกงถ้วยหนึ่งเนี่ยก็กินข้าวด้วยกันคนหนึ่งอาจจะรู้สึกอร่อยรู้สึกพอใจคนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าไม่อร่อยคนหนึ่งรู้สึกว่าพอไหว เพวาเวทนาที่ปรากฏเนี่ยต่างกันแหละจะถามว่าทาไมต่างกันแต่แกงอย่างเดียวกันนะ่ะอ้าวก็เราไปมีความรู้สึกผูกพันจึงเป็นลักษณะของตัณหาอุปาทานที่มีอยู่ก่อนนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เราสัมผัสครั้งแรกเนี่ยเราจะไม่อยากพเราไม่รู้เราจะเกรีอยกล่งสงสัยเราต้องการที่จะรู้ มันมันต้องสัมผัสครั้งแรกในผ่านไปก่อนแล้วก็จําเก็บไว้ด้วยความรักหรือด้วยความชังถ้าใครที่เรารักเราเจออีกมันก็เกิดสุขใครที่เราชังเจออีกมันก็เกิดทุกข์แล้วก็เป็นการพนวกรวมกันระหว่างความรู้สึกที่เก็บสะสมไว้ภายในใจในอนดีตกับความรู้สึกซึ่งเกิดขึ้นขณะที่สัมผัสอารมณ์เหล่านั้น เราก็ดูแล้วก็เป็นว่าเวทนาก็กสักแต่เวทนาไม่จะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนาทั้งภายในภายนอกเวตนาที่เกิดขึ้นแก่เราเกิดขึ้นแก่คนอื่นเวทนาที่ปรากฏในขณะนั้นเวทนาที่ยังไม่ปรากฏก็ก็คือกัน ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ก็ถือว่าตัหามันก็ลดละจางคลายลงไปแต่ถ้ายังมีความรู้สึกผูกพันยึดติดอยู่หรือว่คอยคว้าปรารถนาที่สูงขึ้นไปก็ให้ดูที่จิตจิตก็ดูทํานองเดียวกันนะ่ะเราจะเห็นว่าจิตมันก็เกิดเพิ่นขึ้นภายในจิต มีราคะมีโทสะไม่มีราคะไม่มีโทสะมีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะมีโมหะไม่มีโมหะหลุดพ้นไม่หลุดพ้นสงบไม่สงบพุ้งส่านไม่พุ้งสั่นอะไรต่อะเนี่ยดูตามที่มันปรากฏและความแหลมคมของสติสัมจัญญาความเพียรเนี่ยเราก็จะมองเห็นจิตว่าอ้ยจิตมันก็สลกไปว่าจิตเท่านั้นเองจิงทั้งหลายนั้น มันเป็นอาคารนกกะจรเข้ามาปรุงจิตแล้วก็จิตไปกาหนดไปให้ความสำคัญแก่มันแต่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปอยู่เรื่อยมันจิตเราจะเห็นว่าจิตมันเปลี่ยนไปเรื่อยแม้แต่ว่าอารมณ์ที่เรารู้สึกชอบมันก็อยู่ได้ไม่นานอะ่ะปเดี๋ยวก็ไม่ชอบละต้องการเปลี่ยนละ ลองฝึกทดลองดูนะฮะลองฝึกดูเช่นคนนี้บนไปฉันอาหารเนี่ยคือ่องที่นี่ทําง่ายนะยมาเจอโต้ที่มันหมุนได้แต่ก็ตั้งใจไว้ว่าเราจะไม่หมุนนะ่ะอะไรอยู่ข้างหน้าก็ฉันอะไรใครหมุนมาตรงถึงข้างหน้าก็ฉันเป็นผักประฉันผักเป็นอะไรก็ฉันนั่นถึงน้ําปลาก็ฉันน้าําปลาคือแม่จิตมันเวี่ยงไปอยากอย่างอื่ แล้วแต่เรียวตามตามที่เราเราได้ในขณะนั้นนั้นมันก็ฝึกแล้วก็ป ร, กรากฏรมันก็สำเร็จประโยชน์เหมือนกันคืออิ่มเหมือนกันว่าพวกเราเนี่ยจริงๆเราก็หัดฝึกได้นะฝึกได้ก็ดูจิตดูดูเมื่อไรก็ได้นะเช่นสมมติว่านั่งไปในรถ หรือว่าเวลาว่างๆหรือแม้แต่อ่านหนังสือก็พยายามคิดดูจิตไปจิตภายนอกกับภายในมันก็คือกันจิตที่ปรากฏในขณะนั้นกับที่ยังไม่ปรากฏก็คือกันเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยด้วยกันแต่เสร็จแล้วก็ส่งสรุปที่ธรรมะธรรมะนั้นเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าเป็นบทสรุปไว้ทั้งหมดทั้งกุศลทั้งอกุศลแล้วทั้งที่เป็นกลางกลาง ควายกุศลเช่นพวกนิวรนะครับพวกสังโยชน์พวกสังโยชน์แล้วก็พวกกลางๆอาเช่นพวกขันพวกอาจตนะแล้วพวกทุกข์สัตย์แล้วก็พวกที่เป็นกุศลก็เช่นมรรคสัตย์เช่นพุทธชงก็คือกันนะพุทธชงกับมรรคสัตว์ก็คือกันแล้วก็พวนิโรธ ก็หมายความเอาอริยสัจีมาสรุปไว้ที่นี่อีกทีหนึ่งแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าที่จริงแม้แต่เวทนามันก็เป็นอริยสัจสี่คือตัวเวทนานั้นมันเป็นตัวทุกขสัตว์แล้วการยึด ต, ติดในเวทนาเนี่ยเป็นอาการของสมุทัยสัตว์การทำความเข้าใจใช้สติสัมจัญญาความเพียรพิจารณาเวทนาเนี่ยเป็นมรรคสัต์ พอตันหามันจางคลายลงไปก็สัมผัสพวกนี้รธสัตว์หมายความฝ่ายกิเลสก็ลดลงฝ่ายทุกข์ก็ลดลงฝ่ายความสุขก็เพิ่มขึ้นฝ่ายกุศลธรรมก็เพิ่มขึ้นว่ามีความชัดเจนว่าเป็นโบหารในการเทศในการสอนแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับพื้นฐานของผู้ศึกษา เป็นลักษณะลางเมื่อชอบลางยาเอาสามารถปฏิบัติยังไงก็เอาให้เลือกเอาก็ไปพบกันที่ปลายทางทุกคนพระพุทธเจ้าเป็นเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในโวหา ร, รยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปได้โวหารแต่ว่าเป็นการเที่ยกับคนก็คนเป็นศูนย์จึงเรียกว่าโนโลมเทศนา เป็นเทศนาที่อนุโลมตามจริตอัธยาศัยพื้นเพของบุคคลเหล่านั้นก็ทําให้พระธรรมเทศนาแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยก็ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ว่าเป้าหมายนั้นคงเดิมคือเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการรูปแบบลักษณะการนําเสนอเปลี่ยนแปลงแต่ว่า ผลก็คือการจางไปคลายไปมันเทาไปของกิเลสถ้ายัางไม่เห็นตรงนั้นก็แสดงว่าเดินไม่ถูกไม่ว่าจะแสดงโดยวิธีอะไรก็ตามธรรมะเป็นเรื่องความหลากหลายด้วยภาษาแต่ว่าเนื้อหาแล้วก็คืออริยสัจเพราะนพชงไกรมรักษ์ ก, ก็คืออริยสัจ แล้วก็แม้แต่ในพวกนี้พวกอื่นเขา อ, อื่นมันก็อยู่ในกลุ่มของอริยสัตว์เช่นกายเนี่ยเป็นทุกขสัตว์เวทนาก็เป็นทุกขสัตว์จิตเนี่ยก็เป็นทั้งทุกขสัตว์ทั้งมรรคสัตว์ไม่ใช่ทั้งสมุทัยสัตว์ทั้งมรรคสัตว์แล้วก็พร้อมที่จะเป็นนิโรธสัตว์นะพร้อมที่จะเป็นทุกขสัตว์ก็เรียกมายควา ม, มื่อจิตเนี่ยเขาเป็นได้ทั้งสี่อย่างแต่ว่าเป็น เป็นคู่คู่ไปนะครคือถ้าเป็นทุกข์ก็แสดงว่ามีสมุทยัยมีสมุทัยก็แสดงว่าต้องมีทุกข์มีมากก็แสดงว่าต้องมีนิโรธทุกขกสมุทัยก็จะไม่มีไปในขณะนั้นต้องฟังทั้งหลายเสียงทําจากมาวิทายาระศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี